ฟื้นฟูสังคมไทยและมนุษยปฏิวัติตอนสองเมื่อคราวที่แล้วผมได้คุยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสังคมไทยว่าเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นว่าเปลี่ยนแปลงความเชื่อเสไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอเสหม่เปลี่ยนค่านิยมในเรื่องความมั่งคัง่งคือว่าไม่จําเป็นจะต้องมั่งคั่งร่ำรวยให้พออยู่กันได้ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุนิยมค่านิยมเรื่องความมั่งคั่งนั้นก็ต้องพยายามลดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเราก็มาใช้ชีวิตแบบที่พออยู่กันได้นะครับต้องเปลี่ยนแปลงค่านิยมจากสุขนิยมหรือค่านิยมความสุขหรือว่าเห็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมาเป็นปัญญานิยมหรือวิวุตตินิยมคือให้มีแนวโน้มในการแสวงหาปัญญา แล้วก็แสวงหาความหลุดพ้นนะครับในสังคมไทยของเรามักมีความเชื่อหลายอย่างที่ยังผิดพลาดอยู่ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำให้สังคมเราล่อแหลมต่ออันตรายผมได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้มานะครับวันนี้ก็ขอต่อจากเมื่อคราวที่แล้วครับเรื่องการฟื้นฟูสังคมไทยว่าในปัจจุบันนี้เราจะฟื้นฟูกันอย่างไรเมื่อก่อนนี้ผมสังเกตดูว่า ชนบทเนี่ยครับพึ่งตัวเองได้เวลานี้ชาวชนบทพึ่งตนเองไม่ค่อยได้ก็มีปัญหาทางชนบทมากมายซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือไปจากความโลภของคนทุกระดับพราพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าโลภโธรรมานานปริปันโถความโลภเป็นอันตรายของการบำเพ็ญคุณงามความดี เป็นอันตรายแก่การบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างไรมีปรากฏการณ์ในสังคมให้เราได้พอเห็นกันอยู่บ้างแล้วนะครับว่าปัญหามากมายเกิดจากความโลภความโลภนี้ไม่ใช่ความโลภในทรัพย์อย่างเดียวนะครับความโลภในอารมณ์ก็มีทำให้เกิดอาจยากรรมทางเพศขึ้นซึ่งคนที่มีความโลภชนิดนั้นแล้วก็หักห้ามใจไม่ได้เกิดการกระทาความผิดเกิดอาทยากรรม การเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงของเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงภัยต่างๆมากมายซึ่งสังคมเรานี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราหันกลับมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไทยหรือว่าใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสุภาษิต ท, ทางจริยศาสตร์ท่านบอกว่าชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่ดีที่สุดนะครับ และก็ชีวิตทางศีลธรรมเนี่ยครับเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้เรียกร้องหาอยู่ตลอดชีวิตของท่านว่าขอให้ศีลธรรมได้กลับมาถ้าเผื่อศีลธรรมไม่กลับมาแล้วโลกาจะวินาศคือเราพึ่งวัตถุอย่างเดียวคงไม่ได้เราจะต้องพึ่งจิตใจแล้วก็ต้องพึ่งศีลธรรมให้มาใช้ชีวิตแบบพุทธกันจริงๆคือใช้ชีวิตแบบพุทธแท้กันเสียที พื้นฐานสังคมไทยเราเวลานี้เกิดความชมรุดซุดโสมเป็นอย่างมากเลยเพราะเหตุที่ว่าเกิดความโลภความริษยาแล้วก็ความแข่งดีเป็นอย่างมากความโลภ ก, ก็เป็นของไม่ดีความริษยาก็เป็นของไม่ดีแล้วก็การแข่งขันกันดีนี้ก็เป็นของไม่ดีเพราะว่าเป็นกิเลสตัวหนึ่งในอุปกิเลสสิบนะครับท่านเรียกว่าสารพะคือการแข่งดี ใครจะดีกว่าใครใครจะเด่นกว่าใครใครมีทรัพย์สินสมบัติมากกว่าใครใครมีหน้ามีตามากกว่าใครอย่างนี้ไม่ดีเลยครับให้แข่งกับอุดมคติของเราถ้าเผื่อจะเกิดการแข่งขันกันก็แข่งกับอุดมคติของเราพวาเรามีอุดมคติไว้อย่างไรแล้วข้อบัตรนี้เราดําเนินชีวิตไปใกล้อุดมคติแล้วแค่ไหนเรามีศาสนาครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เรามีศาสนาเป็นมักคุเทสมักคุเทสคือผู้นำทางแต่ทีนี้บางทีแล้วก็มีบ่อยๆเราจะสังเกตว่ามัคคุเทศสของเราก็เกิดความห ล, ลงทางเสียเหมือนกันคือมักคุเทสเกิดหลงทางเสเองคือเป็นผู้นำในทางความฟุ่มเฟือยเสยเองงานวันเกิดงานฉลองสมณศักดิ์งานศพต้องทำกันด้วยการลงทุนเป็นเงินหลายๆ ล, ล้านซึ่งไม่จำเป็น ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีแม้จะอ้างว่าเป็นการทำบุญก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าเป็นการทำบุญเอาหน้าคืออย่าคิดที่จะทำบุญเอาหน้าคือให้มีชื่อเสียงว่าให้มีคนนิยมว่าเป็นคนทำบุญใหญ่ทำบุญมากอะไรทำนองนั้นนะครับเมื่อถึงตรงนี้ครับชาวพุทธเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องบุญให้ดีครับว่าอะไรคือบุญที่สูงสุด ลองตั้งปัญหาถามตัวเองบ่อยๆว่าอะไรคือบุญที่สูงสุดตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ครับพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไว้ว่าการอบรมตนให้เป็นคนดีเนี่ยนะครับการอบรมตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีศีลธรรมไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละเป็นความดีอันสูงสุดในการที่จะทำตนให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีศีลธรรมเนี่ยเราจะต้องพึ่งตนเอง และก็ไม่ต้องอ้อนวอนใครเราจะต้องพึ่งตนเองทำด้วยตนเองท่านผู้ฟังนึกถึงชายขับเกวียนในนิทานได้ไหมครับชายคนหนึ่งขับเกวียนไปตกหลุมแล้วก็นั่งอ้อนวอนเทวดาหรือเทพารักษในป่านั้นให้ช่วยอ้อนวอนเท่าไรเท่าไรเทพรักษก็ไม่ลงมาช่วยจนเย็นจวนจะขําอยู่แล้วเทพรักษตามนิทานนะครับบอกว่าให้เอาบายกล้อกเกวียนขึ้น แล้วก็ตีวัวให้เดินเขาก็ทำตามพอเขาทำตามเกวียนก็ไปได้นี่เห็นไหมครับเขาเสียเวลากับเรื่องการอ้อนวอนให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือให้เทพมาช่วยเหลือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือมาช่วยเหลือเสียเวลาไปต้องค่อนวันถ้าเผื่อเขาใช้สติปัญญาของเขาทาเสียตั้งแต่ครั้งแรกคือตั้งแต่เกวียนมาตกลมแล้ว เขาก็ใช้ความเพียพรพยายามใช้สติปัญญาแก้ปัญหาด้วยตัวเองมันก็เสร็จไปนานแล้วนี่ดีว่ายังมีมาบอกให้แต่ท่านก็ไม่ช่วยท่านเพียงจะบอกทางให้เท่านั้นทีนี้ในการนี้ถ้าเผื่อเราฝึกฝนสติปัญญาให้เป็นคนมีสติปัญญาที่จะพึ่งตัวเองได้ในเหตุการณ์ต่างๆเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ้อนวอนไม่จําเป็นจะต้องพึ่งสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้น มาถึงเวลานี้ผมคิดว่าสังคมของเราจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์ปฏิวัติมนุษย์ปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของมนุษย์เราให้กลับไปหาอริยวัฒนธรรมอริยวัฒนธรรมผมหมายถึงวัฒนธรรมของพระอริยะเจ้าที่เราฝ่หาดิ้นรนแสวงที่จะพบพระอริยแต่ว่า ดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยจะดำเนินตามปฏิปทาหรือวัฒนธรรมของพระรยะเสียบ้างเลยวัฒนธรรมไทยแต่โบราณนะครับมีเรื่องการกินง่ายอยู่ง่ายรู้จักพอเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากครับเพราะเราได้รับต้นแบบมาจากพ ร, ระรยาเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเป็นอริยวัฒนธรรมเมื่อพวกเราอยู่ในวัฒนธรรมนั้น ก็พลอยมีชีวิตที่เรียบง่ายโปร่งเบามีความสงบสุขพระดำเนินชีวิตตามรอยของพระริยะมาในระยะหลังๆนี้พวกเราได้ละทิ้งวัฒนธรรมอันดีงามของตัวของพระริยะแล้วก็เดินตามวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมอื่นๆซึ่งเป็นของปุถุชนผู้ไม่รู้จักพอในทางวัตถุมุ่งปรนเปลตนเองในทางวัตถุยางไม่มีที่สิ้นสุด ผลที่ออกมาก็คือเหมือนว่าเราเจริญขึ้นแต่ก็มีความสุขน้อยลงน้อยลงสังเกตดูเถอะครับเรามีอะไรมากมายในทางวัตถุในทางเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราก็เห็นอยู่ไม่ต้องพูดรายละเอียดแต่สังเกต ด, ดูต่อไปเถอะว่าเรามีความสุขน้อยลงหรือมีความสุขมากขึ้นถ้าเผื่อว่าเรายอมรับมีใจเป็นธรรมเราก็จะยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะครับ ว่าคนของเราในสังคมเวลานี้มีความสุขน้อยลงเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องหันกลับมาดําเนินชีวิตตามอริยะวัฒนธรรมคือความอยู่ง่ายกินง่ายความไม่เะเยอทะยานความไม่แข่งขันกับใครให้พออยู่กันได้ทุกๆคนเราเคยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกันมาหลายครั้งนะครับโดยการปฏิวัติรัฐประหารบ้างโดยวิธีอื่นๆบ้างในสังคมไทยนะครับ แต่ว่าเราไม่เคยทำมนุสปฏิวัติเลยมนุสปฏิวัติคือการปฏิวัติมนุษย์และความเป็นอยู่ของมนุษย์นิสัยใจคอของมนุษย์ตรงนี้ผมขอพูดรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมนุสปฏิวัติหรือการปฏิวัติความเป็นอยู่ของมนุษย์ในประเทศของเราเราเคยมีการปกครองกันมาหลายครั้งก็จริงครับแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของคน ไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติไม่ได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของคนในชาติเราแปลว่าเคยฟุ่มเฟืออยู่อย่างไรก็ฟุ่มเฟืออยู่อย่างนั้นเคยเล่นอะไรอยู่อย่างไรก็เล่นอยู่อย่างนั้นแปลว่าเพียงแต่ปฏิวัตยึดอำนาจของรัฐจากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้ปฏิวัติมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมนุษย์ในประเทศไทยของเราเวลานี้นะครับ พูดกันทั่วประเทศว่าเศรษฐกิจตกตำ่ำความเป็นอยู่ฝืดเคืองเงินบาทลอยตัวเสื่อมราคาลงในสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเผื่อประเทศไทยหรือคนไทยเราถือเอาเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนเป็นเท r ร์นิ่งพอย์คือเปลี่ยนวิธีชีวิตเสียใหม่เลิกความฟุ่มเฟือยซึ่งดำเนินติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานในสังคมของเราแล้วมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ประหยัดมัธยัติอดออมสมถะแล้วก็ดำเนินติดต่อกันไปขอให้ดำเนินติดต่อกันไปให้ยาวนานเท่าเท่ากับที่พวกเราได้เคยฟุ่มเฟือยกันมาผมคิดว่าสังคมไทยจะไปได้ดีเพราะเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ขอให้มาช่วยกันทำมนุสปฏิวัติสักครั้งหนึ่งเถิดครับ แต่ ง, งานปฏิวัติทำนองนี้ต้องทำติดต่อกันเป็นเวลานานๆนไม่ใช่ปีสองปีแล้วเลิกรากันไปพอตั้งตัวได้เริ่มหันเหชีวิตเข้าไปแบบเดิมซึ่งจะเป็นต้นทางไปสู่ความล้มเหลว อ, อีกเราต้องเดินหน้าไปในทางที่ดีงามต่อไปและก็ไม่หวนกลับมาสู่ความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟอ้อหรือมีค่านิยมอันผิดผิดอีกต่อไปความล้มเหลวที่ผ่านมานะครับ ควรจะเป็นบทเรียนที่มีค่าสําหรับพวกเราเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ตั้งใจจะทํามนุษสปฏิวัตินี่มีสิ่งหนึ่งคือไม่ต้องกลัวคนเกลียดใครจะเกลียดก็ปล่อยให้เกลียดไปอีกหน่อยพอเขาเห็นผลของการปฏิวัติเขาก็จะกลับมาพอใจเองเหมือนคล้ายๆกับครูอาจารย์บางคนเข้มงวดกับสิทธ์ในระยะต้นๆสิทธ์เขาอาจจะไม่ชอบบางคนถึงก็เกลียดชังเอาทีเดียว แต่พอเรียนสำเร็จแล้วได้เห็นผลของวิชาความรู้ที่ครูอาจารย์ได้เขี่ยวเข็นเข้มงวดมาก็จะกลับมารักและบูชาอาจารย์ผู้นั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิวัตินิสัยใจคอของประชาชนจึงไม่ต้องกลัวประชาชนเกลียดและไม่ต้องประจบประชาชนในทางด้านผู้นาทางาศาสนาพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าผู้นำทางาศาสนาอื่นๆก็ตามก็คงทานองเดียวกันนะครับ พูดไปเลยพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าพุทธศาสนิกชนจะเกลียดชังหรือไม่ชอบถ้าเราได้พูดความจริงและพูดสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจะเกลียดก็เกลียดไปไม่เป็นไรถือว่าตัวเราไม่สําคัญเท่ากับความเป็นอยู่และก็ความมั่นคงของศาสนาความดํารงอยู่และความมั่นคงของศาสนาสาคัญกว่าตัวเรา เราอยู่ไม่กี่ปีเราก็ต้องตายแต่ว่าศาสนายังอยู่เราอยู่ในประเทศชาติตัวเราเองอยู่กันก็ไม่กี่ปีก็ต้องตายจากไปแต่ประเทศชาติยังต้องอยู่ลูกหลานก็จะต้องรับช่วงมรดกต่างๆต่อไปเพราะฉะนั้นกล้าหาญหน่อยครับกล้าหาญทางจริยธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่เห็นต้องกลัวในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เราต้องไม่เชื่อในหลักการเกินไปอันที่จริงหลักการที่ดีก็เป็นของดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่พัฒนามนุษย์ขึ้นมาให้เหมาะสมกับหลักการเขาก็จะทำตามหลักการไม่ได้เขาต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ทำลายหลักการนั่นเสียลองดูกฎระเบียบต่างๆที่เราสร้างกันมาเพื่อเป็นกรอบให้คนในสังคมปฏิบัติชอบ แต่ถ้าคนไม่ได้รับการพัฒนากรอบนั้นก็ถูกทำลายคือเขาจะฝ่าฝืนเขาจะไม่แยแสกับกรอบนั้นเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ทำตามแล้วระเบียบก็ไม่เป็นระเบียบเกี่ยวกับเรื่องเงินท่านสังเกตนะครับราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนมักจะวางระเบียบกฎเกณฑ์ว้อย่างเข้มงวดกวดขันเสมอแต่ทำไมจึงมีการคอรัปชันกันอยู่ทั่วไปทุกวงการ ตามเสียงบ่นกันซึ่งมีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนามนุษย์ให้ได้ให้มีคุณภาพสูงให้มีวินัยในตัวเองให้มีความรับผิดชอบให้กลัวบาปและให้เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวท่องคาถาเรื่องเห็นแก่ผู้อื่นเอาไว้สักอย่างหนึ่งเห็นแก่คนอื่นก่อนตัวเองแล้วก็เห็นแก่ตัวเองบ้างตามสมควร แต่ก็ไม่มากกว่าที่เห็นแก่ผู้อื่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามากจะคิดกันว่าถ้าเราพูดตามความเป็นจริงเปิดเผย น, นิสัยใจคอที่แท้จริงของคนในชาติของเราในส่วนที่บกพร่องแล้วก็จะเป็นการอับอายขายหน้าแก่คนต่างชาติอันที่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าแม้เราจะไม่ยอมเปิดเผยความจริงแต่คนต่างชาติเขาก็รู้ รู้ว่าพวกเรามีนิสัยใจคออย่างไรราช จ, จะรู้ดีกว่าพวกเราซสอีกเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาเปิดเผยความจริงมาเปิดเผยกันเองถ้าพูดตามสมนวนพระสมนวนทางศาสนาท่านก็บอกว่ามาปรงอาบัติกันเสเองจะไม่ดีกว่าหรือเพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ดี แล้วก็รักษาส่วนที่ดีอยู่แล้วให้พัฒนาจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนที่ไม่รู้ข้อบกพร่องของตัวเองจะแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างไรแล้วก็คนที่ไม่รู้ส่วนดีของตนจะพัฒนาส่วนดีให้จเจริญมั่นคงได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากนะครับเรื่องมนุษยปฏิวัติ ถึงคราวจำเป็นที่เราจำเป็นจะต้องมาปฏิวัติความเป็นอยู่ของพวกเรากันใหม่ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตามหลักของพระพุทธเจ้าตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งเรานับถือยกย่องบูชาอยู่แต่ว่ามักจะเป็นไปในทางพิธีกรรมพิธีการเสียมากกว่าที่จะเอาเนื้อหาธรรมะหรือเนื้อธรรมจริงๆมาประพฤติปฏิบัติ พระพุทธเจ้าเองนะครับเคยปฏิวัติมนุษย์แล้วก็ปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากความเป็นทาตทาตของเทพเจ้าทาตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงประกาศอิสราภาพของมนุษย์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการปลดปล่อยมนุษย์เป็นการประกาศอิสราภาพของมนุษย์แต่แล้วน่าเสียดายนะครับที่มนุษย์เรากลับยอมตัวลงไปเป็นทาตใหม่เป็นทาตของอะไร เป็นธาตุของวัตถุนิยมเป็นธาตุของความเชื่อในเทพเจ้าในการเข้าทรงในเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเมื่อไม่กี่วันมานี้มีคนที่เคยเข้าทรงได้มาเปิดเผยให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบซึ่งเป็นกิจที่น่านิยมมากนะครับเขาได้เปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ยืนยันว่า 95% ไม่จริง นอกจากนั้นยังสงสัยอยู่แต่ผมขอเพิ่มเติมว่าทึงจริงก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขอความช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือตัวเองทีนี้เมื่อไร่ละครับเมื่อไรเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนมาเป็นเวลานานเพื่อไม่ให้พระธรรมนั้นเป็นหมันไปสมบหรือว่านอนตายอยู่ในคภีไม่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของพวกเรา ขอให้เรามีความเข้มแข็งมีอุดมคติให้มากขึ้นเวลาของผมเหลืออีกไม่มากนะครับวันนี้ผมจะไม่มีการพักก็จะพูดต่อไปเลยเพราะว่าเสียเวลากับเรื่องระบบเสียงสักครู่นี้ไปหลายนาทีเหมือนกันนะครับจะเป็นการดีไหมครับถ้าพวกเราแต่ละคนมาตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ มีความเพียรพยายามในการทำจิตให้สงบคือมีความสงบอยู่ภายในแล้วแผ่ความสงบออกมาเป็นกระแสะเย็นสู่เพื่อนมนุษย์นั่นแหละคือการทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้อย่างใหญ่หลวงมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับชื่อ The m e i n i n g Full Life เป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับท่านผู้เขียนชื่อนิคโยนิวาโนท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ ในหนังสือเล่มนั้นแปลว่าชีวิตที่มีความหมายหรือชีวิตที่สมบูรณ์ท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า 99% ของพวกเราได้หมกบ้วนติดตามเกาะติดสถานการณ์ได้ไว่าวนอยู่ในข่าวสารข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่ามีคนเพียงหปอร์เซเท่านั้นที่แสวงหาความสงบสุขภายในแสวงหาปัญหา แล้วก็เมื่อมีความสุขชนิดนั้นแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จําเป็นต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขไม่ควรติดยึดอยู่กับรูปแบบเดิมๆหรือแบบฉบับอยู่ตลอดเวลาคนที่รักสัตจาเนี่ยครับจะต้องเป็นสัต จ, จานุรักษ์คือรักษาเฉพาะสิ่งที่เป็นสัต จ, จที่เป็นจริงไม่เป็นสัต จ, จาพินิเวศ คือไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เคยถือกันมาแต่ว่ามันไม่จริงเสียแล้วในเวลานี้เพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอนะครับไม่ตายตัวถ้าพูดตามภาษาของนักปรัชญาคนหนึ่งนักการศึกษาและปรัชญาคนหนึ่งคือฟรานซิสเบคอนนะครับว่าต้องทำลายเทวรูปเสียเทวรูปที่เขากล่าวถึงนี้ใช้ภาษาอังกฤษว่าไ dol ลไอดอลนี้คือหมายถึงว่า สิ่งที่บุคคลยึดถือเอาไว้โดยเหตุต่างๆซึ่งท่านได้กล่าวมีสี่ประการผมจะพูดอีกนิดเดียวครับเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคสำคัญในการก้าวหน้าของมนุษย์แล้วก็ทำให้มนุษย์เราถูกขังอยู่ในความมืดเพราะอาคติต่างๆเช่นอคติเพราะพวกพ้องเชื้อชาติอคติเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนตัว มีประสบการณ์ส่วนตัวที่ผิดผิดและก็เรื่องภาษาเรื่องขนมประเพณีที่ถือสืบสืบกันมาผมไม่มีเวลาที่จะขยายเรื่องนี้ในวันนี้นะครับโอกาสหน้าถ้าเผื่อมีเวลาผมจะพาดเพิงถึงเรื่องนี้บ้างถ้ามีเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้เวลาผมหมดเพียงเท่านี้ครับขอความสุขความเจริญความสวัสดีความเป็นตัวของตัวเอง และการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์พึงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ